พุทธประเพณีอันการที่พระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทั้งหลายทรงปราศัยกับพระอคันตุกะทั้งหลายนั่นเป็นพุทธประเพณีลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุนั้นว่าภิกษุเธอยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือ เธอเดินทางมาโดยไม่ลำบากหรือเธอมาจากไหนภิกษุนั้นกราบทูนว่าสบายดีพระพุทธเจ้าข้าพอเป็นอยู่ได้พระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าเดินทางมาโดยไม่ลำบากพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าจำพรรษาในแคว้นกาสีเมื่อจะมาเฝ้าพระองค์ที่เมือง น, นี้ เดินทางผ่านกีดาคิรีชนบทเวลาเช้าครองอันตรวาศถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทในกีดาคิรีชนบทอุบาสกคนหนึ่งเห็นข้าพระพุทธเจ้ากำลังเที่ยวบินทบาทเข้ามาหาไหว้แล้วถามว่าพระคุณเจ้าได้อาหารบินทบาทบ้างไหมขอรับข้าพระพุทธเจ้าตอบว่า อาตมายัางไม่ได้อาหารเลยอุบาศกกล่าวนิมนต์ว่านิมนต์ไปเรือนกระผมเถิดขอรับแล้วพาข้าพระพุทธเจ้าไปเรือนนิมนต์ให้ฉันแล้วถามว่าพระคุณเจ้าท่านจะไปที่ไหนขอรับข้าพระพุทธเจ้าตอบว่าจเจริญพรอาตมาจะไปกรุงสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาค เขากล่าวว่าท่านขอรับถ้าเช่นนั้นขอท่านจงถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวและขอจงกราบทูลตามถ้อยคําของกระผมอย่างนี้ด้วยว่าพระพุทธเจ้าข้าวัดในกีดาคิรีชนบทสุดโสมภิกษุชื่อว่าอัศชิและปุณพสุกะเป็นผู้อยู่ประจำในอาวาส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 ทานที่เคยถวายประจำแก่สงฆ์บัดนี้ทายกทายิกาเลิกถวายแล้วภิกษุผู้มีศีลพากันจากไปพวกภิกษุผู้เลวซามอยู่ครอบครองขอประธานวโรกาสเถิดพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคโปรดส่งภิกษุทั้งหลายไปสู่กีดาคีรีชนบทเพื่อวัดจะได้ตั้งมั่นอยู่สื่อไปในที่นั้น ข้าพระพุทธเจ้ามาจากกีดาคีรีชนบทนั้นพระพุทธเจ้าข้า